เหมือนรอยเท้าสัตว์ทุกชนิดรวมลงในรอยเท้าช้างครั้นแล้วได้อธิบายรายละเอียดเฉพาะทุกข์อริัยศาสตร์ข้อแรกโดยแสดงความเกิดแก่ตายเป็นต้นว่าเป็นทุกข์และกล่าวโดยรวบยอดอุปทานนักข์คือกองแห่งรวบนามที่ยึดถือห้าอย่างว่าเป็นทุกข์และได้อธิบายโดยพิเศษเฉพาะกองรูปซึ่งแยกออกเป็นรูปใหญ่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 พระผู้มีพระภาคประทับนเชตะวนารามทรงแสดงธรรมะแก่ภิกษุทั้งหลายมีใจความคล้ายคลึงกับมหาสาโรปรมาสูตร